พอพระองค์ก็ บ, บำเพนทางกายผลที่สุดก็ บ, บาเพญทางทางใจที่ท่านนั่งคัสมาธิวันเดือนหกเพนท่านลํำลึกถึงอย่างที่หลวงพ่อพูดมันลํำลึกถึงสมัยผิดศีลทัศนไปบำเพนไปแลกนาขวัญกับพระบิดาที่นั่งอยู่ที่โครนต้นว่าในวันแลกนาขวัญ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 หัวเราะไปเพื่อความร้องไห้มันใช้คล้มันใกล้ๆกันมันทดแทนกันใกล้ๆกันเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุก ท, ทุกท่านนะมาบำเพ็ญตระประทำในคราวนี้มันจะให้เหมือนทางโลกมันไม่ไมใช่มันไม่ได้ออันนี้บำเพ็ญทางด้านจิตใจจะต้องได้ตัดรู้เรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าถ้าเอาชนะใจของตนเองได้ชำระใจของตนเองได้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 บ้างต่อไปแล้วก็ชำระได้ไม่ใช่กายต้องชำระไงมันก็ไม่หายจากโรคถึงจุดจบแต่ใจไม่ใช่นะ่ะพอบาเพ็ญเข้าไปแล้วตัดกิเลสราคะโทสะโมหะแล้วเป็นอมตะธาตุเป็นอ ม, ะ ต, ะ ต, นอมะตะธรรมอ่าเป็นธรรมอันบริสุทธิ์เป็นธรรมอันไม่ตายบริสุทธิ์ผุดผ่องอยูต่ตลอดอนันตการเพราะนั้นพวกเรา